วันนี้เราจะขึ้นทุติยาวิพัฒข้อที่สองุติยาวิพัฒ์ในอัตกิริยาวิเศสนะทุติยาวิพัฒในอักิริยาวิเศสนะภาษาไทยก็มีคำกิริยาวิเศษภาษาอื่นๆก็มีกิริยาวิเศสนะส่วนมากแล้วในภาษาบาลีท่านจะลงทุติยาวิพัฒเฉพาะฝ่ายเอกพจน์ด้วยพวกหูพจน์ไม่ลงมีก็มีเล็กๆน้อ ย, นอยนนๆนานอ่านหนังสือไป เป ป, ปจะได้เจอทีหนึง่งส่วนมากลงเอกพจน์คือลงอังวิพัฒน์นั่นเองดังนั้นประโยคต่อไปนี้เราเห็นตัวไหนลงอังอังออั ง, งนั่นแหละส่วนใหญ่ละเป็นกริยาวิเศสนะแต่ในที่อื่นก็เป็นอัดอื่นด้วยแต่ว่าในที่นี้ยกตัวอย่างมาในใช้ในที่นี้จะเป็นกริยาวิเศสนะโดยปกติแล้วถ้าทุติยาวิพัฒน์ลงในอัด ร, รมที่เราแปลมานะก็จะแปลว่าซึ่งสูยังใช่ไหม ซึ่งสู่ยังกะให้เป็นว่าเป็นที่เราแปลมาแล้วเนี่ยมีเท่านี้ที่แปลมาแล้วส่วนทติยาวิพัฒน์ที่ลงในอัดกิริยาวิเศสนันี้จะไม่แปลเลยถ้าย้อนคืนไปดูก็จะมีคําแปลเป็นวงเล็บไปให้ว่าแปลว่าอะไรไม่มีขยายกิริยาไม่ต้องแปลสำเนียงวิพัฒน์ออกมาให้แปลเข้ากับกิริยาได้เลยดูตัวอย่างข้อหนึ่ง ทางกระโกสุขขังเสติในวงเล็บปัศยติหมายถึงเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เสติก็ได้ปศยติก็ได้พอเราเรียนอักขยอดมาเราก็จะรู้ว่าลงเนปัจจัยและนยยะปัตัยปัจจัยในจุราธิคณะลงตัวไหนก็ใช้ได้เหมือนกันมีรูปใช้ทั้งสองรูปเสติปศยติถ้าเป็นผู้หูพ้าหูพอก็เป็นเสนติและสยันติทางกระโกสุขขังเสติทางกระโก เด็กชายสุขังเสติย่อมนอนเป็นสุขย่อมนอนสบายย่อมนอนง่ายเด็กนอนดีเด็กนอนง่ายเด็กนอนสบายสุขังเสติบางทีเราก็บอกว่านอนเป็นสุขเช่นบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมนอนเป็นสุขธรรมอาจารย์รีสุขังเสติผู้พทธม ผู้ประพฤติทำเป็นปกติย่อมนอนเป็นสุขไม่จะเป็นสุขขังเสติดังนั้นคำว่าสุขขังไม่ต้องแปลว่าซึง่งสู่่อยางสิ้นอะไรทั้งนั้นนะแปลแต่คํานามอย่างสุขขังเนี่ยถ้าเราแปลในที่อื่นนะเราอาจจะแปลว่าซึ่งความสุขได้แต่ในที่นี้ไม่แปลแปลว่าสุขเฉยแปลว่าสุขแปลว่าง่ายแปลว่าสบายเท่านั้นเองต่อไปข้อ2ปลาประกางรีทุกขังเสนติปลาประกางรีผู้มีปกติทำแต่คำชั่ว เสษติเป็นผู้หูพจน์ดังนั้นปลาประการีก็ต้องแปลเป็นผู้หูพจน์นะเป็นผู้หูพจน์ปลาประการีผู้ทําความชั่วทั้งหลายเสนติย่อมนอนทุกขังเป็นทุกขนอนกระสับกระส่ายนอนทุรนทุรายต่อไปข้อ3ามตว้วงโอทนังมุทุงปัจจติต้ตวง ท่านปั จ, จสิปั จ, จสิย่อมหุงโอทนังซึ่งข้าวมุทุงนุ่มดีอ่อนนุ่มท่านหูข้าวนุ่มจังเลยก็บอกว่าตะวังมุทุงปั จ, จสิอันนี้ก็พอตะวังมุทุงปั จ, จสิหูข้าวอ่อนหูข้าวนุ่มต่อไปข้อสี่ตุมมะเหผาสุกังวัฏฐะ ตูไม่เหแปลว่าท่านทั้งหลายวสถะจงหรือย่อมย่อมอยู่ผาสุ ก, กังผาสุ ก, กังภาษาไทยก็แปลทับศัพท์ว่าผาสุท่านท่านอยู่ผาสุไม่หรอกเป็นคําธรรมดาเนี่ยเล่าทั่วทวไปพูดกัน อ, ออยู่ดีนะ อ, อ, อยู่สบายดีนี่อยู่อย่างผาสุ จะใช้ใช้คำว่าอย่างก็ได้ไม่แปลกอะไรเพราะเป็นกริยาวิเศษณะท่านย่อมอยู่อย่างผาสุขวัถะย่อมอยู่ครับเขา้เขากับตุมเหตุตุมเหตคู่กับถะท่านอยู่สบายท่านอยู่ผาสุขท่านอยู่มีความสุขข้อห้ามะยังสีคังคัดฉามะมะยังเราทั้งหลายคัดฉามะย่อมไปสีคัง เร็วพวกเราไปอย่างเร็วพวกเราไปเร็วพวกเขาไปช้าสีคังเร็วถ้าช้าอะไรสันนิการถ้าช้าก็สันิกังอยู่ข้างหน้ามีต่อไปข้อหสัมมาสันิกังคัดฉันติสมนาสมมะทั้งหลายคัดฉันติย่อมไปสันิกัง ช้าช้าเบาเบาค่อยค่อยค่อยค่อยเดินอย่างระมัดระวังสำรวมอินทรีย์สันี้กังไปว่าค่อยค่อยช้าช้าเบาเบาย่องย่องอะไรอย่างเนี้ยค่อยค่อยไปค่อยคมาไม่ใช่เดินทีอย่างเป็นพระเนี่ยเดินไปทีจีวอละอหัวใครเป็นแถวแถวแถวแถไว้นู่นไม่ไหวให้เป็นพม่า <ś les> โจลังย่องเบาพวกโจลนะ่ะย่องเบาต่อไปข้อเจ็ดตวังสีขังสีขังอาคัดฉาหิตวังท่านอาคัดฉาหิต ต้องจงเพราะหิเนเป็นปันจะมีวิพัแตแปลว่าจงจงเถิดขอจงตวังท่านอาคัตฉาหิจงมาสีคังสีคังถ้ามีคำซ้อนอย่างนี้นะแสดงว่าอัดยิ่งขึ้นถ้าสีคังคำเดียวเร็วห0นะถ้าสีคังสีคังต้องเร็ว100รอ <c oughs> ถ้าจะให้ช้าธรรมดาก็สันิกังถ้าช้าๆหน่อยคุ้นก็สันนิกังสันิการภาษีครังสีครังก็ง ม, มาไวๆมาเร็วๆมาอย่าช้ารีบมาเร็วๆข้อแปดสามเณีกราปังคฤษมันดลังนิวาเสนติปังคฤษมันดัลังปางรุ ป, ปันติ สามเณรราสามเณรทั้งหลายนิวาเสนติย่อมนุง่งย่อมนุง่งปริมันดาลังเป็นปริมณฑลฮะนุ่งเป็นปริมณฑลก็คือผ้านุง่งรู้จักผ้านุ่งไหมถ้าจีวรที่เห็นอยู่ข้างนอกนี้คือผ้าห่มที่ผ้านุง่งข้างล่างตั้งแต่เอวลงไปคลุมหัวเขา่าเรียกว่าผ้านุง่ง ตั้งแต่ปิดเข่าขึ้นมาจนถึงปิดไหล่เรียกว่าผ้าห่มการนุ่งเป็นปริมณฑลนั้นหนึ่งข้างบนหัวผ้านุ่งต้องปิดสะดือของพระบังคับไว้เลยนุ่งโชวสะดือไม่ได้ปรับอาบัตสองข้างล่างต้องคุมเข่าลงไปแปดนิ้วของตน แปดนิ้วมือสองฝ่ามือท่าปไปปิดปิดปิดปิดปิดเขาไปสองสองสองสองฝ่ามือนะสฝา่สฝามือของใครของมันนะสองฝ่ามือของใครของมันข้างล่างปิดเขาสองฝ่ามือแต่ท่านใช้คําว่าแปดนิ้วแล้วก็ข้างบนปิดสะดือ เรียกว่านุ่งเป็นปริมาณทนต่อไปปริมาณเลังปางรู้ปันติปางรู้ปันติก็แปลว่าหม่หมห่มปริมาณเดรังเป็นปริมณทนทีนี้ห่มเป็นปริมณทนเนี่ยนะท่านว่าไว้อย่างนี้ถ้าในเขตที่มีบุคคลที่มีคุณสูงกว่าเราจะแสดงความเคารพหรืออยู่ในเขตอาวาสหม่มลดไหลข้างหนึ่ง คือลดไหล่ข้างขวาเขาเรียกว่าห่มเฉียงบ่าหรือห่มลดไหล่ปิดไหลข้างซ้ายปิดแขนให้เลยสอบปิดแขนเลยสอบจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้เลยสอบไปอย่าโผล่สอบอย่างนี้โผล่สองนี้ไม่ได้โผล่สองนี้นักเลงอ่ะนี่อ่าใช่มีมีนี่ น, น, น, นี่ท่านเน้นโคงมากอย่งผมอย่างเนี้ยแล้วก็ปล่อยคุ้มตาตุ่มด้วย เขาเขาฮิด ข, ของเขาอย่างนี้เน็ตเขาชอบอย่างนี้แขนต้องคุมศอกนะแล้วก็ขาต้องปิดเขาลงไปหนึ่งฝ่ามือหรือสีนิ้วของตนคุยง่ายว่าถ้าดูที่ขาพระเนี่ยสะบงจะแลบออกข้างนอกสะบงพผ้านุงข้างในเนี่ยยื่นออกไปหนึ่งฝ่ามือผ้าที่วอนกลมงข้างนอกสูงขึ้นมา มองเห็นแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกวันนี้สอนกันหนูว่าผ้านุ่งต้องปิดเพราะว่าคนคนสมัยใหม่เนี่ยอย่างสุว่าเราสวมสมเสื้อสองชั้นเนี่ยนะเอาแขนยาวไปอยู่ข้างในเอาแขนสั้นอยู่ข้างนอกเป็นยังไงคนอื่นเขาข่ำข้างในมันแล้วมาข้างนอกข้างนอกยื่นเข้าไปเนี่ยมันมันไม่น่าดูแต่ของพระต้องอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้น คือสะบงเนี่ยปนิ้วสวนจีวรนเนี่ยสี่นิ้วถ้าไม่เชื่อลองดูพระพุทธรูปปางยืนพระพุทธรูปปางยืนน่ะนะจะเห็นว่าผ้านุ่งเนี่ยยื่นลงมาแล้วผ้าห่มเนี่ยอยู่ข้างบนไม่ใช่ผ้าห่มคุมผ้ายื่นไอ้ผ้านุ่งมิดอยู่ข้างในไม่ใช่นั่นตามทีนไหนต้องอย่างนั้นใช่ถ้านอกเขตอาวาต่างกันเพียงแต่ว่าคุมไหลทั้งสองข้างปิดหมดเลย คุมไข่สองข้างไม่ให้เห็นลูกกระเดือกเลยเอาเวลาออกนอกวัดเราก็ห่มผมคุมทั้งสองไหลงี้ใช่ไหมล่ะทำไมไม่เคยเห็นแยแยะไปเวลาพระเอวินทบาทก็ห่มอย่างนั้นเลยโอหอมคุมเขาเรียกว่าหมคุมกับหอมลดไหล่หอมคุมไหล่กับหอมลดไหล หอมดองไม่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเขาว่าห่มดองก็คือเรียกว่าวันทั้งวันเนี่ยไม่ต้องถอดดองเอาไว้อย่างนั้นเลยก็เลยกลายเป็นว่าห่มอย่างไรจะให้มันดองอยู่ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องห่มซ้ําใหม่ในเวลาที่พระจะต้องทํากิจกรรมที่ต้องเดินต้องทําอะไรคุกคามที่มันคล่องตัวไม่ต้องห่วงความเรียบ ร, ร้อยอย่างเดียวเนี่ยให้มันคล่องตัวนั่นก็ เ, นนเลย พับพั บ, พบจับกรีดจีวรพับเสร็จแล้วก็ห่มแล้วก็มีสายรัดเอวรัดอืมรัดเอวไม่ใช่รัดประคตพารัดอกเขาเดียว่าผารัดอกรัดนั่นนะให้กระชับกระเชงทําอะไรจะได้คล่องตัวไม่ลุ่มล่ามถ้าห่มอย่างนี้ไปทํางานยกนุนกน่นยกนี่เดี๋ยวมันก็หลุดมีเฉพาะประเทศไทยห่มดองประเทศอื่นไม่มีอาจารย์ในหน้าฝามือบอกว่าพุ่มพุ่มกระห่มอันเดียวปลาลูก อ๋อ oh, พิมเกินพิมเกิน พ, มนพิมเกินแก้สะครับนุ่งหม่ม oh, อ๋อห่มมันเป็นหม่มไม่ใช่หุ้มครับอัสละอุออกซะห่ม <Home, S 2> ครับห่มเหมือนกันหมจีวรถ้าจะบิดจะไม่บิดจะอะไรยังไงก็ช่างแต่ว่าำตำแหน่งที่ว่ามานี้แหละคือปริมณฑน คำว่าปริมันทนไม่ได้อยู่ที่บิดพันมังกรหรือว่าบิดลูกบวบอะไรไม่เกี่ยวแล้วคำว่าหอมปริมันทนนะถ้าพูดเรื่องปริมันทนในยาวเนี่ยพระที่หอมๆอนี้ไม่ถูกปริมันทนั่นนะถ้าเรียนวินัยแล้วก็จะหอมให้ดูครับหอมยังไงงซึ่งจริงๆไม่ใช่ห่มแบบเนี้ไม่ใช่หอมบิดลูกบวบอันนี้ก็เรียกว่าบิดลูกบวบถ้ามหานิคายเก่าหอมชีวันชุดเหลืองก็จะหบิดลูกบวบย้อนคืนทางนี้ กับข้างกันเอาบินทบาทก็บิดเขาเรียกว่าบิดมังกรพันแขนรอบลัดแน่นเปียกเล ย, ยเวลาบาดอยู่ข้างในเวลาแต่เปิดบาดให้โยมใส่บาดต้องเปิดจีวรขึ้นถึงจะใส่ได้พันไวแน่นพันไวแน่นเินผ้าวดมเปิดบขึ้นมาไปรมันทนยังไงครับถ้าตรงนี้ท่านจะใส่ตรงไหนก็ช่างนะครับ ขอให้มันปิดศอกขอให้ปิดเข่าใช่ไหมครับปิดไหล่ปิดศอกปิดเข่าถือว่าห่มถูกต้องจะคงแบบไหนก็ได้จะบิดหรือไม่บิดเหมือนลงตาห่มแบบโบราณนะครับพัดพลึบพลึบพลึบก็นะแบบวัดมหานิทยายเก่าพันมังกรบิดมังกรบิดมังกรก็คือเอามังกรพันแขนไงเจนดลูกบวกลนี้มันพันแขนแล้วก็โคยื่นก็ต้องเต็งต้องเต็งอย่างนี้ นีไปนแน่นเลยแหะหนีไปนแน่นมผมหลายแบบผมแบบไทยลังกาพมา่าไม่เหมือนกันไทยลาวเขมรนี่เหมือนกันเลยเพราะลาวกับเขเมรเรียนแบบไทยไทยโกนคิว้วลาวเขเมรโกนตาม <c oughs> ตามเลย พออาศัยไทยเนี่ยธรราเรียนทุกอย่างก็อาศัยธรรมราของไทยเรียนจะเรียนบาลีนะักธรรมก็เรียนแบบไทยก็เลยตามไทยหมดเอาดูต่อไปต่อไปข้อ9สัมนากายาปจางะาะะจาละกังอากาญาปจาระกังนัคขัตฉันติสมมนาก็พระสมณนะนัคขัตฉันตินะครับนะัคขัตฉันติย่อมไม่เดินย่อมไม่ไปนะ ยังไม่ไปกายยับประจาระกังโครงกายโยกกายก็ <c oughs> เห็นไหมครับคนเดินโยกกายครับเดินโย่งเย่งโ ย, งย่งเย่งเหมือนเหมือนวัยรุ่นกวนเมืองอะไรอย่างงี้ยกลางนะเดินข <c oughs> นะับไปเพื่อนเดียวกันเดินก็ได้เดินไปนั่นแหละเพราะคำมุท่านในอัตว่าไปย่อมไปย่อมเดิน <c oughs> ไม่เดินโค้งกายไม่เดินโค้งกายโค้งกายโยกกายกายไหวกายนึกท่าไหมเดินโยกกายเดินโค้งกายเดินอย่างเงี้ยกางแขนหน่อยโยกเยกโยกเยกเข้าบ้านต่อไปข้อสิบสัมมนาสุรสุรุกรังระกรังนะพุญชันติสมมนาสมณะทั้งหลาย นพุนชันติย่อมไม่ฉันสุรุสงรุกลางระ ก, กัง <c oughs> เสียงดังสุดซุด <c oughs> อย่างเช่นจะตักข้าวเข้าปากก็อะไรอย่างเงี้ยซดน้ำแกงยิ่งดังกว่านี้อีก <c oughs> อ่าอยู่ในเสขิยะปรับอบัติทุกกดนะครับฉันดังจุบๆุเจ็บเจ็บซุดๆุดซิปรับอบัติทุกคำครับ พอจะชันประมาณ30คำ3ามสอาบัตสุรุสุรุเนี่ยแปลว่าเป็นเสียงบาลีนะคำว่าสุรุสุรุเนี่ยนะเสียงบาลีก็คือเสียงดังสุรุสุรุนั่นเองแต่ของเรามาแปลเป็นสูดซดจริงสุรุสุรุในเสียงบาลีนะเวลาซดดูสิสุรุสุรุเสียงมันดังแต่เราฟังมันเป็นดังซูดซดยังไงไม่รู้เหมือน ไม่หรอกไม่ไม่ไมถ้าร้อนในเป่านะ่อีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนดังจริงจริงนะเวลาเคียวดังจับจับจับกินข้าวเคียวดังจับจับสุ น, น้ำแกงก็ดังไม่ดังต่อไปข้อสิบเอดสุดท้ายชยังเวงรังปะสะวัติทุกขังเสติปังราชิโตอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชะยะปังราชยัง คาถานี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายที่วัดพระเชตวันปรางรบเรื่องพระเจ้าประสิท์ที่โกศลนอนไม่หลับพระเจ้าประสิทที่โกศลนอนไม่หลับคาถานี้แปลว่าอย่างนี้ ชยังผู้ชนะชยังนี่ก็คือชยันตะสีนะเหมือนคัดังคัดันตะสีอันเดียวกันคัดฉังมหังจารังติดถังชัดังชยังกุญยังสุนังปะจังจะมีชยังช่ายังผู้ชนะปะสวัติย่อมก่อเวงรังซึ่งเวนผู้ชนะเป็นผู้ก่อเวน ปังราชิโตผู้พ่ายแพ้เสติย่อมนอนทุกขังเป็นทุกผู้ชนะก่อเวรผู้แพ้นอนเป็นทุกต่อไปไม่มีไม่มีประธานในที่นี้ก็ขึ้นมาใหม่ว่าบุคโลบุคคลหิตวาละแล้วชะยปะังราชยัง ซึ่งความชนะและความพ่ายแพ้บุคคลละความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วคือไม่ติดใจอยู่กับการชนะกับการพ่ายแพ้นั่น <c oughs> อุปสันโตมีจิตสงบอุปสันโตผู้สงบนั่นเองสงบผู้สงบแล้วจิตสงบดีแล้วเสติย่อมนอนสุขขังเป็นสุข ผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์บุคคลผู้ละความชนะและความพ่ายแพ้แล้วมีจิตสงบแล้วย่อมนอนเป็นสุข <c oughs> อุปสนอุปรสรโตไปว่าสงบแล้วแ <c oughs> ปลตัวไหนไม่ออก ฮิตาวาไปวัลละหิตาวาละแล้วมาจะหาธาติหาจ่าเคในการละในการสละยังเอาหนังสือธาต์มาอยู่ไหมธาต์เล่มเล็กยังถือมาไหมดูซิหาธาต์หายังไม่ได้อีกอไม่ได้ใครไใครยังไม่ได้เอ า, า, า, า, าหา ตามับบอักษรเลยหาธาตุอ่ะธาตุชื่อว่าหานะดูไหมมีหาธาตุไหมดูสิหาจาเคเห็นไหมไม่เห็นไม่มีหน้าเท่าไหร่นะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสาม ดูสิใช่ไหมหาจาเคหาธาตุในอัตวาจาเคฮะยังไม่ได้เลยพูดถึงอะไรไม่ได้สักทีเลยท่า น, นเห็นไหมมีอุทาหรณ์อะไรบ้างอืม นั่นแหละ <c oughs> เห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละหาธาตุหาจาเคในอัตวรสละหิตาวาหิ <c oughs> ตาวาลงตาวาปัจจัยในกิริยากิจนะมีการอามีการลงอีอาคมแล้วก็เลยลบสระอาหน้า จากหาตะวาเลยเป็นหิดตวาหิดตวาไปวันละแล้วคาถานี้พระพุทเจ้าตรัสเพราะปราลบเรื่องที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลลบแพ้พระเจ้าชาติศัตรูเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกับพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยอยู่คนละแคว้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอยู่แควนโกศล ชื่อว่าพระเจ้าปะเสริฐทีอย่าอ่านว่าประเสนาทินะเพราได้ยินอยู่บ่อยประเสริฐนาทีประเสนาทีพระเจ้าประเสณิฐที่เนี่ยนะประจําอยู่แคว้นโกศนก็เลยมีคําว่าโกศนลงไปในชื่อด้วยว่าปะเสริฐที่โกศนส่วนพระเจ้าชาติศัตรูนั้นอยู่แคว้นมคธพระเจ้าชาติศัตรูนี้เป็นลูกใครนะ เ ม, มืองเมืองราชคือเมืองราชคือเมืองราชคือพระเจ้าพิมพิสารเวลานั้นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยยังทรงพยาวอยู่ยังเป็นหนุ่มน้อยได้พบกับพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นผู้มีฤทธิ์ปุถุชนชอบแสดงฤทธิ์ชอบเนรมิตร่างให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หายตัวบ้างปรากฏตรงนู้นตรงนี้บ้างวันหนึ่งพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยออกไปประพาสอุทยานเวลานั้นพระเทวทัตกำลังสแสวงหาบริวารเพื่อจะล้มพระพุทธเจ้ากั่นแกล้งหาอุบายหาเล่หลายอย่างเช่น พระเทวทัตให้ปล่อยช้างนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายปล่อยไปพระอนนลยืนขวางทางใช้นิ้วก้อยคำงวงเอาไว้เพาะช้างนาราคิรีกลังตกมันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาวิ่งแป้นไปทางไหนคนต้องวิ่งหลบอลมานแต่วันนั้นพระเทวทัตปล่อยกะว่าจะให้ช้างเนี่ยไปทำร้ายพระพุทธเจ้าพระอ น, น, นุลเห็นช้างวิ่งมา ดูท่าทางคงจะทําร้ายใครเขาแน่พระอนนท์ก็ยืนจังกล้าขวางหน้าเลยพอช้างยกงวงขึ้นจะฟาดพระอนนท์พระอนนท์เอานิ้วรับุอย่างนี้แหละนะช้างหงายท้องก้นจําเบ้าเลยเออคนที่มีแรงมากขนาดเนี้ยก็คือมีพระอนนท์แล้วก็นางวิสาขาอีกคนแล้วก็คนใช้นางวิสาขากําลังสูงกําลังมากนั่นก็ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ที่คนรู้จักกันมากที่สุดคือพระเทวทัตเนี่ย กิ้งก้อนหินเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเขาคิชกูดเคยไปไหมเขาพิชกูดเห็นไหมว่าพระเทวทัตกิ่งค้อนหินลงไหนพระเทวทัตกิ้งค้อนหินลงมากะว่าจะให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ก้อนหินมันกระแทกกันแล้วก็แตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนหนึ่งก็กระเด็นมาโดนหัวแม่เท้า จน ห, อ, หอเลือดหอโลหิตนั่นหะตรงนั้นคือเป็นอนันติยากรรมและอีกครั้งหนึ่งก็คือจ้างนายขมังธนูจ้างคนที่ยิงธนูแม่นๆมาแปดคนมาซุ่มดักยิงพระพุทธเจ้ายิงธนูไปเท่าไหร่อาไรก็ลกลายเป็นดอกไม้ไปหมดทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้ครั้งสุดท้ายเราไม่ได้ซะแล้ว ยิ่งทำร้ายพระเจ้าเท่าไหร่เรื่องเสียหายเกี่ยวกับเราก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเอาละ่ะเล็งเห็นพระเจ้าชาติศัตรูกําลังขนองเราจะไปอาศัยอํานาจพระเจ้าศัตรูอาชาศัตรูก็แล้วกันเวลานั้นพระเจ้าชาติศัาา ต, ตรูกํ า, ากลังเที่ยวอุทยานอยู่พระเทวทัตเนี่ยก็แปลงร่างเป็นงูร่วงลงมาพันคอพระเจ้าชาติศัตรู เจ้าชาติตูเห็นงูตกขึมาจะ ก, กิ่งไม้มาพันขอก็ตกใจวิ่งดึงกระชางงูออกเพราะกระช่างงูโย้อนออกไปอ้าวกลายเป็นพระเท่านั้นแล้วพระเจ้าชาติตูอ่ทึ่งในความสามารถทึงถงถ่งในฤทธิ์ถามว่าท่านเป็นใครบอกว่าธรรมภาพเทวทัตพระเจ้าชาติตูสมัครเป็นลูกศิษย์อยากจะเรียนมนที่ได้ฤทธิ์อย่างเนี้ยเพราะตอนนั้นเนี่ยได้รับมอบหมายจากพระชนก ให้เป็นผู้นำกองทัพในเวลาออกรบแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูยอมรับให้เป็นศิษย์แล้วก็สอนให้เล็กๆน้อยๆไม่สอนให้หมดสอนให้เล็กๆน้อยๆมาวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูถูกพระเทวทัตกล่อมพระเทวทัตคิดจะยึดอำนาจพระพุทธเจ้าไม่มีบ่ไม่ไม่มีเพื่อนร่วมกระบวนการ ไปคุยกับพระเจ้าชาติศัตรูบอกว่ามหาบอพิษคนสมัยนี้อายุสั้นไม่ถึงร้อยปีก็จะละโลกนี้ไปนี่ไม่ใช่จะพูดธรรมะให้ฟังนะบอกว่าวันนี้พระบิดาของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อายุก็มากขึ้นแล้วเกิด สวรรคตโดยทั้งที่ไม่ได้มอบ ร, ราชสมบัติให้พระองค์จะทำอย่างไรหรือไม่ก็พระองค์อาจจะสิ้นชีวิตก่อนขึ้นคองราชก็ได้ฟังพระเทวทัตและพระเจ้าชาติูเย์เริ่มจิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเราเราจะทำอย่างไรดีพระเทวทัตรู้ว่าตอนนี้พระเจ้าชาติูเริ่มเข้าทางตัวแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้พระองค์ ปกครองพระชนกซะส่วนอัตมภาพจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าอัตมาภาพจะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเองแล้วพระองค์ก็ขึ้นเป็นพระราชาเองถ้าทําอย่างนั้นแล้วไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเราทั้งสองคนแล้วเอาเนี้ยพระเจ้าชาติตูได้เลยกลัวว่าตอนแรกๆพระเจ้าชาติตูกลัวนะไม่กล้าทํานะพระเทวทัตบอกว่าเธอมหาวิทย์เธอเธอมีปัญหาอะไรอัตมาจะช่วย พอตัวเองมีฤทธิ์อยู่แล้วนะมีปัญหาอะไรต่มาจะช่วยเองสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เรารู้รู้มานั่นแหละเพราะความที่พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยมีความเก่งกาจสามารถทั้งที่มีความมั่นใจเพราะว่าได้เรียนรู้วิธีแผงฤทธิ์จากพระเทวทัตมาบ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเวลาออกรบทีจึงข้าวหานพระเจ้าประเสที่โกศลเนี่ยอายุมากแล้วส่วนพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ย อายุเพิ่งสิพระเจ้าประเสันโปรสยกทัพจะไปตีเมืองราชคือจะยึดครองแขวนมคตทั้งแขว้นเลยยกกองทัพไปถึงสามครั้งพระเจ้าพิมพิสารมอบให้พระเจ้าช า, ชาติศัตรูให้อาชาติศัตรูกุ ม, มานยกทัพออกมาต้านทานกองทัพพระเจ้าเปรสันเอาไว้พระเจ้าประสันรบแพ้พระเจ้าช า, ชาติศัตรูสามครั้ง กลับมานอนทนทุกข์บนเพอ้อว่าเราเป็นนักรบรบมาทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินยายมาแพ้เด็กที่ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมถึงสามครั้งหน้าตายนักนอนแซ้ลอยู่บนเตียงอดพักระกยาหารนอนไม่หลับพร้อมลงผอมลงพร้อมลง ใครไปปลอบไปยังไงก็ไม่ฟังช้ำใจที่ลบแพ้เด็กจะนอนอดข้าวตายอยู่ตรงนี้แหละวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในพระเชตวันนี่แหละออกจากริกบินทบานได้ยินชาวบ้านชาวเมืองเาพูดถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าเวลานี้ประชวนหนักอดน้ำอดข้าวอดหลับอดนอน ร่างกายสู้พผอมคงจะตายอีกไม่กี่วันนี้คงสวรรคตแน่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปภิกษุทั้งหลายได้ยินก็นํามาคุยกันอยู่ที่วัดพอคุยอยู่ที่วัดพระพุทธเจ้าดําเนินผ่านได้ยินเสียงภิกษุคุยกันเรื่องพระเจ้าเปรศน์ที่เปรศนท์ที่จึงตรัสถามว่าคุยอะไรกันหรือภิกษุภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบทูลเรื่องนี้ให้ทราบพอทราบแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถานี้แหละ ตรัตถาฐาเนี่ยบอกว่าชายังเวงรังปสสวติทุกขังเสติปังราชิโตอุปสรรโตสุขังเสติหิตตวชยะปังราชยังผู้ชนะเป็นผู้ก่อเวรผู้แพ้นอนเป็นทุกข์บุคคลผู้ละความพ่ายแพ้ว่าความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีจิตสงบดีแล้วย่อมนอนเป็นสุข บุคคลพุ่นละละความชนะและความพ่ายแพ้ได้มีจิตสงบแล้วย่อมนอนเป็นสุขชยังดูนะดูทีรศัพท์ทีรศัพท์ไปชยังตัวนี้แหละแปลว่าผู้ชนะมันเห็นอังอังแต่ไม่ใช่อังทุติยาวิพัตเป็นสิปธมาปุงวิงด้วยจำได้ไม้มคัดฉังคัดฉันโตอ่ะ ตามคัดฉันตะเลยชัยังก็คือชยันต์ตสีปธรมาปุงวิงอาเทศนาตากับสีเป็นอังจาได้ไหมห น, า ต, หนาตักระวตุนาตะจะเป็นอังคัดฉังชยังอันเดียวกันชัยังแปลว่าผู้ชนะปะสาวติเป็นผู้กอ่อย่อมกอ่อมาจากปากบทหน้าแล้วก็สุธาตสุธาเนี่ยอาจว่าปะสเว สุปสเวไม่ใช่สุสวเนถ้าสุสวเนในการฟังถ้ามีปอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแปลว่าปสาเวแปลว่ากอแปลว่าผูแปลว่ามัดเวงรังตัวนี้เป็นอังทุติยาวิพัตซึ่งเวณตัวนี้ยังไม่ใช่กิริยาวิเศษณนะ์นะยังไม่ใช่กิริยาวิเศษนะเป็นกรร ม, มัทธธรรมดานี่เอง ทุกขังเสติปังราชิโตปังราชิโตมาจากปังราบทหน้าแล้วก็ชี้ธาตุตปัจจัยตามนั้นเลยนะ่ะปังราชิโตนั่นแหละปะปังรานี่มีอุทุสังนะอุปสรรค20ิบตัวนะ่ะชิแปลว่าชนะถ้ามีปังราอยู่ข้างหน้าก็แปลว่าแพถ้าชีตัวเดียวเนี่ยแปลว่าชนะถ้ามีปราอยู่ข้างหน้าเป็นปราชิแปลว่าท้ายแพ้อืม แล้วก็เสติแปลว่านอนมาจากสี่ธาตุลงเนปัจจัยติวิพัตสิเนติสระเอนั่นคือเนปัจจัยย่อมนอนทุกขังเป็นทุกทุกขังตัวนี้แหละเป็นทุติยวิพัตในอัตกริยาวิเศสนะแปลว่าเป็นทุกขอุปสรรโตอุปสันโตแปลว่าสงบสงบจิตผู้มีจิตสงบมาจากอุปะแล้วก็สมุธาต แล้วก็ตปัจจัยแต่ไม่ต้องไปเขียนหรอกนะเดี๋ยวจะงงเปล่าแปลว่าสงบสุขังเสติสุขังตัวนี้ก็เป็นกิยาวิเศสนะลงทุติยาสุขังเสตินอนเป็นสุขหิตรวาเมื่อกี้บอกแล้วหาธาตุตาปัจจัยชัยะก็แปลว่าชัยปราชะยะก็แปลว่าปลาชัยในภาษาไทยทับศัพท์ชัยก็แปลว่าชนะปราชัยก็พ่ายแพ้ อ่ะทีเนี้ยลองแปลตั้งแต่ข้อหนึ่งเป็นต้นมาทางระโกสุขขังเสติเด็กชายนอนเป็นสุปปาปการรีทุกขังเสติคนทาชั่วทั้งหลายย่อมนอนเป็นทุกตวังโอทนางมุทงปจัจจิท่านหงข้าวนุ่ม ตุมไมเหผาสุกังวัสทะท่านทั้งหลายอยู่อย่างผาสุกมายังสีคังคัดฉามะเราทั้งหลายไปเร็วไปโดยเร็วไปอย่างเร็วไปอย่างรวดเร็ว แ, วแต่จะใช่สัมนาสานิกังคัดฉันติสัมมนาทั้งหลายย่อมไป ช้าช้าค่อยคยนะตวังสีคังอาคังอาคัดฉาหิท่านจงมางเร็วเรวสามเณรราปริมันดาลังนิวาเสนติปริมันดาลังปางรุปันติสามเณรทั้งหลายย่อมนุ่งเป็นปริมนทน ย่อมหฮมเป็นปริมนทนสมณะกายปจาลกังนคัตฉันติสมณะทั้งหลายย่อมไม่เดินไปโครงกายสมานาสูงรูสูงรุ้กางระกกังนะุญชันติสมณะทั้งหลายย่อมไม่ฉันเสียงดังสุูด ช่ายังเวรรังประสาวติทุกขังเสติปังราชิโตอุปสันโตสุขังเสติหิตว า, ชายชยะปังราช่ายังผู้ชนะย่อมกอ่อเวนผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกขบุคคลผู้ละความชนะและความพ่ายแพ้ มีจิตสงบแล้วย่อมนอนเป็นสุขแปลคำไหนไม่ออกคือยาวิเศสนะส่วนมากคือยาวิเศสนะมักจะเป็นคำอย่างนี้นเป็นคำยากเป็นคำง่ายเป็นคำดีคำไม่ดี จะใช้เป็นกิริยาวิเศษณ์นะถ้าบอกว่าให้มาเร็ ว, รวส่วนมากโภาษาบาลีท่านจะใช้ว่าอาจีรังอจีรังอย่านานนักจะไม่ใช้ว่าสีครั้งสีครั้งเช่นบอกว่าไปแล้วกลับมาเยี่ยมไวๆหน่อยนะอะไรเนี่ยก็ใช้อจีรัง เพราะสีครั้งสีครั้งมันบ่งบอกถึงคิย์อาการว่าเร็วขณะที่ทําส่วนถ้าบอกการเวลาว่ามันช้าว่ามันเร็วนั้นต้องใช้จิระสั์เหมือนคำเมื่อวานอะจิระทีติกังตั้งอยู่ได้นานอย่างนั้นถ้าอาจีรังเขาบอกไม่นานใช้ว่าอาจีรังนะอาจีรังอาคัตฉาหิรีบมานะอย่า น, านนะมาซะอะไรอย่างนี้น เอาละดูต่อไปทีนี้มาดูภาคภาษาไทยเป็นบาลีข้อ1ท่านทั้งหลายจงมาช้าช้าอย่ามาเร็วนี่งไงก็คือทำกิริยาอาการนะให้ช้าช้าอย่าให้รอย่าให้รีบเร่งข้อ2พวกเราพากันนุ่งห่มเป็นปริมณฑลข้อ3ท่านอย่างรับประทานเสียงดังซุดๆุดข้อ4เธอจงเรียนเอาศิละปะช้าช้า ท่านทั้งหลายว่าตุมมเหชาชาสนิ ก, กังชาชาจงมาจงมาตุมเหตุมเหก็ต้องคู่อาคัตฉะแลวก็จงมาชา้ชาชก็คือตุมมเหสนิกังสันิกางอาคัตฉะ อย่ามางเร็วสีคังมามาสีคังนะมาสีคังหรือว่าณถ้ามาก็ได้ณก็ได้มาก็แปลว่าอย่าณก็แปลว่าอย่าหรือแปลว่าไม่มาสีคังอย่ามาว่าไงมาบาลีว่าไงคัตอาคัฉชะต มาสีขังอาคัจฉะหรือสีคังนะอาคัจฉาถ้าใช้มาจะอยู่หน้าประโยคถ้าใช้นะจะอยู่หน้ากิริยาใช้ว่ามาสีขังอาคัจฉะก็ได้ใช้ว่าสีคังนะอาคัจฉาก็ได้ใช้มากับใช้นะตัวใดตัวหนึ่งมายังปังริมันดาลังนิวาเสมะ นิวาเสมะก็ามายังก็คู่กับมะอย่างนั้นเปลี่ยนเอาตามนั้นน ะ, ะดูต่อไปดูต่อไปต่อไปข้อสามท่านอย่างรับประทานเสียงดังสุดๆดหืตะวังคู่อะไระตะวังอ่าตะวังคู่กับสีว่าให้ถูก ตวังสุรู้สุงรู้กางระกำนะคุณชะนะคุณชะศีตวังก็ศีนะคุณชะตวังสุงรู้สุงรู้กางการะกงนะคุณชะสีนะชะศนะนะีเอาอันติออกไปเอาสีมาใส่แทน หรือประโยคนี้นะหรือตะวังต้องเขียนว่ามาตะวังครับมาตะวังสูสุงรู้การระกังพุนชะพุนชะไม่ใช่สี่แล้วตัวเนี้ยถ้ามาเนี่ยต้องถ้ามีมาต้องใช้ปัญจมีวิภัตเลยเป็นคำห้ามเลยมาตะวัง สูงรู้สูงรู้กลางระ ก, ก, กังพุนชะชาหีไม่ได้พุนชะพุนชะมาเหมือนเดิมพุนชะพุนชาหีก็ได้ถ้าพุนชะเนี่ยเด็ดขาดถ้าพุนชาหีเนี่ยไม่เด็ดขาดถ้าบอกว่ามาตวังสูงรู้สูงรู้กลางระ ก, ก, กังพุนชะบอกว่าห้าม กินเสียงดังเด็ดขาดข ด, ดูเสียงกันแล้วกันคุณชะบันจะมีมามีบาทเข้าบันจะมีนี่ยอมก็บอกแล้วนี่ไงบอกว่าถ้าเด็ดขาดก็ลบหิถ้าไม่เด็ดขาดก็ไม่ต้องลบเช่นติดเอาไว้ที่กุฏิ ห้ามสวมรองเท้าขึ้นข้างบนอะไรอย่างนี้คนอยากสวมขึ้นไปก็สวมได้ไม่ได้ว่าก็ไม่ถึงกัเด็ดขาดถ้าเด็ดขาดอะห้ามด่าพระเด็ดขาดอะไรคือพูดง่ายว่าถ้าออกเสียงวะชะหรืออะอย่างนี้นะคือห้ามปฏิเสธไม่ปฏิเสธปฏิเสธไม่ได้คุณชะเนี่ยเอากินสิ ถ้าพุนชะกเราก็ต้องต้องกินไม่กินไม่ได้ถ้าพุญช้าหิกินหน่อยไม่ได้เลยไม่กินก็ได้พุนสติก็โศไงอันนี้เป็นตะวังอันนี้ตะวังก็เป็นพุนชะคพุนช้าหิตะวังคนละตัวมาเนี่ยแปลว่าห้าม มานี่แปลว่าห้ามห้ามทั้งประโยคเลยห้ามทุกคําำนะเช่นอย่ามาอย่าไปอย่าทําอย่าพูดอย่าคิดมาอย่างเดียวเลยมาแล้วก็เติมขีดยาอนั้นตไปด้วยมันจะมีวีพัดโอ้อย่าคิดมากอะไรพวกนี้ยเราก็ใส่เลยไปนีแล้วก็บอกว่ามาพระหุงษจินตัดไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องเลยนะคำว่ามาตัวเนี้ยไม่ต้องคิดมากพระหงษ์กิจวนะัตเสษนาไงพระหงเลยแปลว่ามากพระหงก็ได้พระหง ก, กหงหลังก็ได้พระหงลังก็ได้แปลว่ามากมาจินตะอย่าคิดมากอย่าคิดมากเรียนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไร ทำไมอ่าดูต่อไปต่อไปข้อสี่เธอจงเรียนเอาศิละปะช้าช้าเธอก็ ต, วตววะวังท่านก็ตวงังเธอก็ตะวังศิลปะละ่ละศิะ ป, ะ ป, ปังช้าช้าละ่ละ สนิกางเรียนล่ะจงด้วยนั้นเนี่ยจงด้วยนั่นเน่ตะตวังก็ต้องคู่กับอะไรสีได้ไงจงจงจงเนี่ยมันเป็นปันจะมีวิพัฒน์เลยเนี่ยคันหินหก็มีคันหะก็มีคันหาหิก็ ม, ก ม, กมีต้องอกคันหะนะจงเรียนศิลปะชา้ชา อุกขันหะตวังสิปังสานิกังอุคขันหะจงเรียนศิลปะชา้าคือต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องชา้ทาท่าเร็วแล้วก็ไม่ได้ดังนั้นหลักสูตรนี้แทนที่จะเรียนสักเดือนเดียวก็ต้องเรียนสองเดือน3เดือนอะไรเนี่ยชา้าในครองโลกก น, นิษฐ์ก็มีสินเนสิปังสินเนทานางังสินเนปัปปะตะมางรูหัง จำได้ไหมคาถาอะไรนะเวลาเวลาไปเที่ยวพระท่านมักจะพูดอยู่เรื่อยมาลุยหะคือลุยเลยลุยค <c oughs> าถาคาถาไม่เหนื่อยสมาก็ไม่ก็ได้ยินเรื่อยๆนะวันหนึ่งไปไปอินเดียนี่แหละไปขึ้นภูเขา คิดจะกูดหลวงพ่อองค์หนึ่งบอกว่าเฮ้ยทองคาถาไว้มาหาคาถาอะไรครับหลวงพ่อมาลุยหะ <มา S 1> เอามันแปลว่าอะไรครับอุ้ยไม่ต้องแปลท่องเลยท่องโอ๊ยไม่ต้องท่องแล้วครับจําได้แล้วมาลุยหะแค่นี้เองมันมันคืออะไรครับอุ้ยเขาจะขึ้นภูเขาก็ต้องว่าคาถานี้เวลาขึ้นภูเขามันไม่เหนื่อยคำว่<ม>าลุยนี่เป็นภาษาอังกอืม ท่านถ้าบอกว่าท่านก็ลองฟังดูสิมาลุยมาลุยไม่ต้องคิดอย่างอื่นมาลุยเลยทีนี้ท่านว่าผิดไงบาลีมันไม่ใช่มาลุยฮะมันเป็นมางรุหังไม่ใช่มาลุยฮะาามาจากโลกครับ โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั น, นครับนักปราวแต่เรยุคแต่ยุบเขาเห็นอะไรเป็นคติสอนใจเขาก็เขียนไว้เขียนไว้บันทึกจดจํากันต่อๆมาเรื่อยคําว่าสิเนสิเนในทีนี้เนี่ยมีตั้งห้าครั้งเป็นนิบาศสิเนตัวนี้เป็นนิบาศแปลว่าช้าช้าเหมือนช้าช้าอะไรนะของไทยอะช้าช้าได้อะไรนะ ได้พาสองเล่มงามทั้งหมดสินเนทุกตัวแปลว่าช้าช้าสิบปังก็แปลว่าเรียนศิลปะเรียนหนังสือต้องค่อ ย, ค, อยค่อยไปช้ า, ชาเรียนช้าช้าเข้ากับสภาพของเรานีแหละสินเนทานังหาทรัพย์ก็ให้ช้าช้า สีเนปพัพพตะมางรู้หังปพัพพตะมางรู้หังเป็นสนธิปพัพพตังบวกอ่างรู้หังอ่างรู้หังแปลว่าขึ้นปัพพตังสูง่ภูเขาขึ้นภูเขา ป, ปีนภูเขาสีเนก็ให้ช้าๆเหมือนกันใครทําเป็นแข็งแรงวิ่งุทอุ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ทันเท่าไหร่หอบแหกๆอยู่ข้างหน้าเท่านั้นคนค่อยๆเดินไปแซงทีเนี้ยต่อไป สิเนกามัตสโกทัศสิเนกามัสสกามัตสะเสกกามโกทั ศ, สสสสทศและโกโรธค่อยๆค่อยๆเสกกรมก็ค่อยๆเสบอย่าหลงในกามไม่ใช่เห็นรูปสวยๆงามๆคิดว่ามีเงินซื้อๆๆๆๆๆไม่ไม่ประหยัดไม่ค่อยๆเวลากโกรธก็เหมือนกัน พอพูดอะไรไม่ถูกใจไหนพัวเลยถ้าโกรธเราต้องค่อยๆปล่อยความโกรธออกมาทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆโกรธค่อยๆโกรธนี่ไม่ได้หมายความว่าแค้นฝังลึกไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่เองเก็บความแค้นเอาไว้ อิเมปัญจะทั้ง5อย่างนี้นะปัญจะหอย่างอิเมเหล่านี้ทั้ง5อย่างนี้ส really? ีเนสีเนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าแปลการเรียนศิลปะวิทยาการเรียนศิลปะวิทยาการแสวงหาทรัพย์ การเรียนศิลปวิทยาการสแสวงหาทรัพย์การขึ้นภูเขาการขึ้นภูเขาการเสพกรรมคุณการเสพกรรมคุณรูปเสียงกลิ่นรสโพรดัพนะห้าอย่างและความโกรธทั้งห้าอย่างนี้ควรให้เป็นไปอย่างช้าชา้า หรือทีละน้อยทีละน้อยนั่นเองโกรธก็ค่อยคอยโกรธเขาอย่าไปโกรธเพ้อทีเดียวต้องเผื่อไว้ด้วยว่าพรุ่งนี้ก็จะโกรธอีกอยู่เผื่อเอาไว้ก่อน <c oughs> อย่าไปโกรธวันเดียวหมดประหยัดหน่อยความโกรธนยะ <c oughs> ทั้งห้าอย่างนี้ควรให้เป็นไปชา้ชาช้าควรให้เป็นไปทีละน้อยทีละน้อยชา้ชาช้านั่นแหละ ร, รีบไม่ได้ครับอย่างสมมติว่าเอาล่ะท่านจะไปแบกข้าวสารครับเอาแบกข้าวสารจะเป็นวิธีหาเงินนะเป็นจับกังแบกข้าวสารขึ้นจากเรือลองเร่งดูนี่ครับคนเขาค่อยๆเขาอาจจะแบกได้สักห้าสิบกระสอบวันเนี้แต่ท่านเร่งๆอาจจะได้แค่สิบห้ากระสอบต้องรีบไปหาหมอ <laughs> หม่ตะแรงก่อนต้องค่อยๆ ค, ค, ครับค่อยๆก็หมายความว่าค่อยๆไปค่อยๆพิจารณาอย่าให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างถ้าผิดพลาดในระหว่างแล้วจะแก้เนี่ยจะทําให้มันช้ากว่าเดิมครับช้าๆนั่นแหะไปได้เรียบง่ายมั่นคงแต่ถ้าพูดพลาดไปแก้ไขกลับมาแก้ไขมันจะช้ากว่าที่ช้าๆอีกครองโลกคณิตไทยบอกว่าเรียนศิลแสวงทรัพย์ด้อมเดินสไลด สามสิ่งอย่างเร็ววชอบช้าเศพกรรมหนึ่งคือใจมักโกรธสองประการนี้ถ้าผ่อนน้อยเป็นคุณสามอย่างแรกบอกว่าให้ช้าช้าสองอย่างหลังบอกค่อยๆผ่อนทีละน้อยจบแล้วทุติยภิพณนอกริยาวิเศสนะ